พระมหาโมคคลานะซึ่งได้รับการยกย่องจากพระศาสดาและเป็นที่ยอมรับในหมู่พุทธบริษัทว่าเลิศทางมีริศไม่มีใครเสมอเหมือนนั้นได้กล่าวถึงประวัติของท่านไว้คู่กับพระธรรมเสนาบดีสารีบุรบ้างแล้วในเบื้องต้นในที่นี้จะนำเอาบางเรื่องที่ท่านพระมหาโมคคลานะได้ใช้ฤทธิ์ของท่านให้เป็นประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนามาสู่กันฟังพอเป็นเครื่องบันเทิงจิต และเพื่อสร้างแนวความคิดในทางที่ถูกว่าฤทธนั้นมีจริงเป็นจริงเป็นผลพลอยได้ของการบําเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นอนุภาพของจิตซึ่งได้รับการฝึกฝนดีแล้วซึ่งมีอยู่เหนือสามัญชนเป็นอันมากฤทธนั้นมีประโยชน์เป็นอันมากในการฝึกคนที่ฝึกยากมีทิฏฐิจัดหรือมีอาสวะหนาแ น, น่นให้คลายลงสิ ก, ก่อนเพื่อสะดวกแก่การสอนทำอันละเอียดลุ่มลึกต่อไป เช่นเรื่องของโกศิยะเศรษฐีไม่ไกลจากกรุงราชครื้นักมีนิคมหนึ่งชื่อศักระในนิคมนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งมีทรัพย์ถึงแปสิบโกดแต่มีนิสัยตระนีมากไม่ปรารถนาสงเคราะห์ใครแม้น้ำมันสักหยดหนึ่งก็ไม่ให้ใครเปล่าเปล่านอกจากไม่สงเคราะห์คนอื่นแล้วยังไม่สงเคราะห์ตนเองอีกด้วยไม่ใช้ทรัพย์เพื่อความสุขของตนทรัพย์สมบัติของเขาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลย เขามีความพอใจด้วยการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นเหมือนมดแดงเฝ้าหัวงแหนมะม่วงวันหนึ่งเศรษฐีโกศิยะไปเฝ้าพระราชาตอนกลับจากที่เฝ้าเขาพบชาวบ้านที่ยากจนคนหนึ่งกำลังกินขนมเบื้องอย่างอร็ศอร่อยเพราะความหิวบีบคั้นมานานเศรษฐีอยากกินบ้างแต่สีดายทรัพย์จะบอกพัญญาว่าอยากกินขนมเบื้องก็ไม่กล้าบอกเกรงว่าจะยินถึงหูคนอื่นแล้ว จะพากันอยากกินบ้างจะบอกให้พัญญาทําให้กินก็เกรงว่าคนอื่นจะกินด้วยถ้าเป็นดังนั้นจะหมดเปลืองเป็นอันมากซึ่งข้าวสารนาเนื้ยใสน้ําอ้อยเป็นต้นเขาอดกลั้นความอยากนั้นไว้อันความทุกข์เพราะความอยากบีบคั้นแล้วเนืองๆจนทายผอมลงมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นเมื่อไม่อาจทนได้อีกต่อไปจึงเข้าห้องนอนด้วยความประทมทุกข์ดูเถิด ดูเศรษฐีผู้มีทรัพย์ถึงแปดสิบโกดแต่กลายเป็นคนยากจนแม้ขนมเบื้องก็ไม่อาจกินได้เพราะความตระณีบีบคัน้นครอบงำหัวใจคนตระณีแม้จะมีทรัพย์ก็เหมือนคนยากจนเหมือนน้ำทะเลแม้มีมากก็อาศัยบริโภคไม่ได้มันเค็มส่วนทรัพย์คุณดีแม้มีน้อยก็พลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบ่อพออาศัยอาบดื่มให้เป็นสุขพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยตรัสกับ พระเจ้าประเสริทโกศนว่าทรัพย์ของคนพานของอัสตบุรษไม่อำนวยประโยชน์สู่แก่ใครๆรวมทั้งตัวเขาเองด้วยเหมือนสะโบกกรณีอันตั้งอยู่ในที่ไม่มีมนุษย์แม้จะใยสะอาดจือสนิทเย็นดีมีท่าลงสะดวกน่ารื่นรมมหาชนก็หาได้อาบได้ดื่มไม่น้านั้นตั้งอยู่อย่างไร้ประโยชน์ส่วนคนดีเมื่อมีทรัพย์แล้วย่อมบารุงตน มารดาวิดาบุตรพัญญาบ่าวไพร้ให้เป็นสุขบำรรงสมณพราหมณาจารย์ให้เป็นสุขเปรียบเหมือนสาโบครณีอันตั้งอยู่ไม่ไกลหมู่บ้านมหาชนย่อมได้อาศัยอาบดื่มและใช้สอยตามต้องการโภคะของเขาหาสิ้นไปโดยไร้ประโยชน์ไม่คนจนนั้นมีอยู่สองประเภทคือประเภทหนึ่งมีเท่าไรไม่รู้จักพออีกประเภทหนึ่ง มีน้อยจนไม่เพียงพอกับความจําเป็นของชีวิตแต่มีอยู่จํานวนไม่น้อยที่ไม่ได้กำหนดขอบเขตแห่งสิ่งที่จําเป็นของตนไว้จึงดูเหมือนว่าอะไรๆก็จาเป็นไปหมดกลายเป็นคนกระหายอยู่ตลอดเวลาดังที่พระรัตปาละผู้เลิศทางศรัทธาของพระศ า, ศาสดาได้กล่าวไว้ว่าสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อจึงตกเป็นทาตของตันหา พัญญาของเศรษฐีเป็นคนมีอัธยาศัยดีใจขอกว้างขวางเห็นเศรษฐีนอนบนเตียงด้วยอาการท้อถอนเช่นนั้นจึงกล่าวว่าท่านไม่สบายเป็นอะไรไปหรือไม่เป็นอะไรเศรษฐีตอบพร้อมสันหน้าแล้วเมื่อมองเพดานปัญญามองด้วยท่าทางสงสัยก่อนจะถามว่าพระราชาคริวท่านหรือไม่ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นพวกลูกๆหญิงชาย หรือญาติธาตุกรรมกรทำอะไรไม่ถูกใจท่านให้ท่านร้อนใจหรือไม่มีเศรษฐีปฏิเสธท่านต้องการอะไรแล้วไม่ได้หรือว่าอยากรับประทานอะไรบ้างหรือตรงนี้ถูกจุดแต่เพราะความกลัวเสียทรัพเศรษฐีจึงกลืนน้ำคําไว้เสียในอกเมื่อพัญญารบร้าถามหนักเข้าเขาจึงพูดอ้อมแอมว่าฉันอยากกินอะไรบางอย่าง อยากรับประทานอะไรล่ะคะพัญญาถามอย่างร้อนรนฉันอยากกินขนมเบื้องพูดหลุดปากออกมาอย่างยากเย็นพัญญาเศรษฐีเบื่อหน้าไปยิ้มเสียทางหนึ่งด้วยความรู้สึกขบขันเศรษฐีก็รู้เหมือนกันว่าถูกยิ้มยาอโทสะจงไม่อาจยังได้จึงกล่าวว่าขบขันนักหรือเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นหรือัญญาเศรษฐีรู้สึกตัวจึงกล่าวว่า ท่านเศรษฐีใครๆเขาก็รู้กันว่าท่านมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงแค่อยากรับประทานขนมเบื้องเท่านี้ท่านทนอดอยู่ทำไมทำไมท่านไม่บอกข้าพเจ้าสักคำหนึ่งเอาละท่านข้าพเจ้ารู้อย่างนี้แล้วจะทำขนมเบื้องให้พอคนกินทั้งนี้คมนี้เศรษฐีผลลุกขึ้นด้วยความตกใจพร้อมกล่าวเสียงดังว่าจะมีประโยชน์อะไรแม่คุณคนพวกนั้นทำงานให้เราหรือ เขาทำงานของเขาก็กินของเขาสิถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าจะทอดขนมเบื้องให้เพียงพอแก่คนในตรอกนี้พญญาเศรษฐีแสดงความใจกว้างต่อไปโอ้แม่คุณฉันรู้มานานแล้วว่าแม่นรวยทรัพย์ไม่ต้องทําอวดรอกเศรษฐีประชดถ้าอย่างนั้นจะทอดขนมเบื้องให้พอแก่คนทั้งหมดที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงความที่เธอมีอัธยาศัยกว้างขวางนะ่ะ ใครๆเขาก็รู้กันแล้วไม่ต้องประกาศอีกหรอกเสถี๋ยว่าถ้าอย่างนั้นขอทอดทห้เพียงพอแก่คนในเรือนของเราไม่จําเป็นพวกนั้นเขาหากินเองได้ถ้าอย่างนั้นทอดให้พอแก่เราสองคนท่านและข้าพเจ้าเธอกินด้วยหรือถ้าอย่างนั้นทอดให้ท่านคนเดียวเสถีพยักน่ารับและกล่าวว่าถ้าเธอทอดขนมที่นี่คนจํานวนมากในบ้านนี้ ย่อมหวังจะกินด้วยหมดเปลืองโดยใช่เหตุดังนั้นถ้าเธอจะทําให้ฉันก็จงเอาสินของต่างๆเช่นข้าวสาร น, น, น้ํานมเนยใสน้ําพึ่งน้ําอ้อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยขึ้นไปบนปราสาทชั้นเจ็ดทอดที่นั่นแล้วก็เออข้าวสารนั้นอย่าเอาข้าวสารอย่างดีไปให้เอาข้าวสารอย่างเลวปนๆ น, นั่นแหละไปฉันคนเดียวเท่านั้นที่จะนั่งกินที่นั่นพราดา กิริยาอาการของเศรษฐีที่ไม่มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคใช้สอยของประนีตพอใจแต่จะบริโภคใช้สอยแต่ของเร็วๆนั้นถ้าวินิจฉัยตามหลักพระพุทธศาสนาท่านว่าเป็นเพราะอกุศลวิบากที่เมื่อทําบุญให้ทานไปแล้วรู้สึกเสียดายในภายหลังอกุศลวิบากนั้นมาสร้างอุปนิสัยให้เบียดเบียนตนเองไม่น้อมจิตไปเพื่อความสุขอันตนจะพึงได้รับตามสมควรแก่ฐานะของตน พ ญ, ญาเศรษฐีใช้คนรับใช้หญิงช่วยถือสิ่งของต่างๆขึ้นไปบนปราสาทชั้นที่เจ็ดแล้วไล่คนรับใช้ลงมาเสียเศรษฐีขึ้นไปแล้วปิดประตูใส่กรอนทุกประตูตั้งแต่ประตูแรกเข้าไปพ ญ, ญาเศรษฐีเริ่มทอดขนมเบื้อง ประจุสการใกล้รุ่งวันเดียวกันนั่นเองพระผู้มีพระภาคผู้อนุเคราะห์โลกออกจากมหาสมบัติทรงแผ่ขายคือพระญาณออกสำรวจดูหมู่สัตว์ในโลกธาตุผู้มีอุปนิสัยควรแก่การบรรลุมรรคผลด้วยพระมหากรุณาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปติผลของเสถีพร้อมทั้งพัญญาณกรุงราชคลือแล้วตรัสเรียกพระมหาโมคลานะมาเฝ้า ทงเล่าเรื่องของเศรษฐีชื่อโกศิยะให้พระสาวกผู้เลิศทางฤทธิ์ทราบแต่โดยย่อแล้วตรัสว่ามหาโมคคลานะแต่เศรษฐีนั้นพร้อมทั้งพัญญาเป็นผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปติผลเราต้องสงเคราะห์เขาถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาจะเสื่อมจากอริยคุณอันพึงได้ในชาตินี้มโมคคลานะเธอจงไปปราเศทธิีให้สิ้นพยศแล้วให้นาขนมน้านม เนยใสน้ำพึ่งน้ำอ้อยมายังเชตะวันวิหารด้วยกำลังฤทธิ์ของเธอวันนี้เราพร้อมด้วยภิกษุสงห้ารอยจะนั่งคอยทำพัตกิจด้วยขนมนั้นเท่านั้นพระมหาเถระรับพระพุทธบัญชาแล้วได้เดินทางไปสกรนิคมใกล้เมืองราชครึกซึ่งถ้าเดินทางอย่างคนธรรมดาก็จะใช้เวลาแรมเดือนเพราะไกลามากถึงส้าโยชน์แต่พระเถระไปด้วยกำลังฤทธิ์เพียงครู่เดียว เหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้ายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างแห่งปราสาทชั้นที่เจ็เมื่อได้มองไปเห็นพระเถระดวงใจของเศรษฐีสันสถานด้วยความตกใจระคนด้วยความตรนีเขาคิดว่าเราอุตส่าห์มาทอดขนมเบื้องบนปราสาทชั้นที่เจ็ก็เพราะกลัวคนทั้งหลายจะเห็นจะร่วมกินรวมทั้งคนประเภทนี้ด้วยแต่สมณะนี้มายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างแล้ว เราจะทําอย่างไรดีเมื่อมองไม่เห็นสิ่งใดที่ตนจะใช้เป็นเครื่องมือไร่พระเถระได้จึงทําเสียงพึมพำอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศตรงช่องหน้าต่างจะได้อะไรถึงท่านจะเดินจงกรมในอากาศก็ไม่ได้อะไรจากข้าพเจ้าพระเถระเดินจงกรมในอากาศสมณะท่านเดินจงกรมในอากาศจะได้อะไร แม้ท่าน rumor, นั่งค te ู่บอลลังในอากาศก็จะไม่ได้อะไรพระเถระนั่งคูบลังสมณะท่านนั่งคูบลังจะได้อะไรแม้ท่านจะมายืนอยู่ที่กรอบหน้าต่างท่านก็จะไม่ได้อะไรพระเถระมายืนที่กรอบหน้าต่างสมณะท่านยืนที่กรอบหน้าต่างจะได้อะไรแม้ท่านจะบังหวนควันก็จะไม่ได้อะไรพระเถระบังหวนควันขณะนั้น ควันที่พระเถระบังหวนออกมาแผ่กระจายครอบคลุมประสาทของเศรษฐีทั้งหมดเศรษฐีแสบตาเหมือนคนเอาเข็มมาแทงเศรษฐีไม่กล้าพูดว่าถึงท่านจะให้ไฟลุกโลงขึ้นก็จะไม่ได้อะไรเพราะกลัวไฟไม่ประสาทขณะนั้นเขาก็คิดว่าสมณะนี้ทนทานนักไม่ได้อะไรอะไรแล้วผมไม่ยอมไปเป็นแน่เราควรถวายขนมให้ท่านสักหน่อยหนึ่ง ดังนี้แล้วกล่าวกับพัญญาว่าพอดขนมชิ้นเล็กๆสักชิ้นหนึ่งให้สมณะนี้จะได้ไปเสีีพัญญาเษฐีหยอดแป้งลงไปนิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นชิ้นใหญ่มากขึ้นทุกทีจนเต็มถาดเษถีเห็นดังนั้นคิดว่าชรอยนางจะใส่แป้งมากไปจึงตักแป้งหน่อยหนึ่งด้วยมุมทัพีตักเองแล้วยอดลงไปขนมได้กลายเป็นใหญ่กว่าชิ้นก่อนสอีก แม้เศรษฐีจะทำอย่างเดียวกันอีกหลายครั้งก็มีผลออกมาเป็นอย่างเดิมจนเบื่อหน่ายจึงกล่าวกับพัญญาว่าขอให้ให้ขนมแก่สมณะสักชิ้นหนึ่งนางจึงนำขนมที่ทอดเสร็จแล้วจากกระเช้าขนมในกระเช้าเกิดติดกันแน่นทั้งหมดแยกเท่าไหร่ก็ไม่ออกเศรษฐีเองพยายามแยกเท่าไหร่ก็ไม่ออกทั้งสองช่วยกันดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกเศรษฐีและภริยา พยายามดึงขนมจนเหงื่อโทมกายความหิวก็หายไปเศรษฐีกล่าวกับพัญญาว่าฉันไม่ต้องการขนมแล้วขอให้แก่สมณะนี้ไปทั้งหมดเถิดพัญญาเศรษฐีถือกระเช้าขนมเข้าไปหาพระเถระเพื่อถวายพระอัครส า, าวกฝ่ายซ้ายผู้เลิ่อ ด, ด้วยฤทธิ์ได้แสดงธรรมให้ท่านทั้งสองฟังถึงคุณของพระรัตนตรยัยและผลของทานเป็นต้นโดยในดังนี้ นัชเชิงหิมาลัยบรรพดมีแคว้นหนึ่งนามสักยะพระราชาผู้ครองคือพระเจ้าสุโธธนะพระอค拉มเหสีแห่งพระราชานั้นพระนามสิริมหามายาพระนามประสูติพระราชโอรสพระนามสิท ธ, ธัตถะพระสิทธัตถราชกุ ม, มารได้ทรงมีดวงตาคือปัญญามองเห็นทุกข์ของโลกจึงทรงสละโลกยสุขทั้งมวลออกสแสวงหาธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความทุกข์ เมื่อพระชนมาายุเพียง29พรรษาทรงทำความเพียรอย่างไม่ยออ่อท้อทรงทำความเพียรอย่างยอดเยี่ยมอยู่หกปีจนพระชนสาสหจึงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณต่อจากนั้นอาศัยพระมหากรุณาอันเปี่ยมอยู่ในพระหฤทยัยจึงเที่ยวสั่งสอนเวนยสัตว์ให้ตั้งอยู่ในความดีให้ละเว้นความเห็นแก่ตัวหรือสแสวงหาความสุขเฉพาะตนแล้วเบียร์ผู้อื่น ส่งสอนให้มนุษย์เอื้อเฟื้อต่อกันช่วยเหลือกันมีจิตปราศจากจองเวรแต่ให้มีเมตตาปราณีต่อกันคำสั่งสอนของพระองค์เรียกว่าพระธรรมผู้ปฏิบัติตามพระธรรมย่อมปลอดจากการเบียดเบียนตนและผู้อื่นต่อมามีผู้เลื่อมใสในคำสอนของพระาศาสดาพระองค์นั้นจะสละทรัพย์สมบัติและโลกียสุขอื่นๆออกบวชปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ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 ชาวโลกมือดอยู่ด้วยโมหะคือความหลงไม่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเหมือนคนไร้จักษุหรือเหมือนคนมีจักษุแต่เดินอยู่ในที่มืดไม่เห็นอันตรายแม้ตั้งอยู่เฉพาะหน้าได้อาศัยพระรัตนตรยัยจึงได้พบแสงสว่างสามารถมองเห็นตามความเป็นจริงดูก่อนโกศิยะชาวโลกเร่าร้อนด้วยโทสะความเดือดดาลแค้นเคืองประทุสร้ายกัน เพราะความร้อนอันเกิดขึ้นในจิตของตนจึงแผ่ความร้อนให้กระจายไปยังมนุษย์และสัตว์อื่นมนุษย์เป็นจุดศูนย์รวมของความเร่าร้อนหรือความสงบเย็นของโลกในที่ใดใจของมนุษย์เร่าร้อนอยู่ด้วยโทสะในที่นั้นสัตว์โลกอื่นๆก็พลอยถูกเบียดเบียนไปด้วยในที่ใดจิตมนุษย์สงบเยือกเย็นอยู่ด้วยเมตตาในที่นั้นสัตว์ทั้งหลายอื่นก็พลอยได้รับความร่มเย็นไปด้วยสัตว์โลกทั้งหลาย ได้อาศัยพระรัตนตรัยแล้วสามารถดับความ ร, ร้อนกระวนกระวายในดวงจิตเสียได้ดูก่อนโกุศยะชาวโลกมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสมัวเมาอยู่ในลาบยศสรรเสริญและความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสลาบยศและสรรเสริญนั้นแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านั้นเป็นโลกิยธรรมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ลงท้ายด้วยทุกสัตว์ทั้งหลายผู้มัวเมาอยู่ไม่รู้เรื่องนี้ตามความเป็นจริงจมอยู่มกมุ่นอยู่เมื่อสิ่งเหล่านั้นแปรเปลวนไปตามธรรมดาของสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยเหตุปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เล่าร้อนเหมือนถูกลูกศรแทงต้องเศร้าโศกเสียใจเพรายรำพันครับแค้นใจดูกรโกศยะอาศัยพระรัตนาตรัยแล้วชาวโลกได้คลายความเมาลง กลายเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสติสัพพัญญะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยปัญญามีปัญญาในการถอนตนออกไม่หมกมุ่นติดอยู่จมอยู่ดูก่นโกสิยะสัตว์โลกได้รับความเดือดร้อนลาบากเป็นหนักหนาด้วยราคะโทสะและโมหะอันใดเมื่อสามารถทำลายเสียได้ซึ่งราคะโทสะและโมหะอันนั้นสัตว์โลกก็จะพ้นจากความลาบากยากเข็ญปลอดโปร่งเยือกเย็น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 แต่พระศาสดาของข้าพเจ้าคือพระศักยมุนีตรัสว่าทานมีผลการบูชามีผลการควบคุมตนเองเป็นหน้าที่สำคัญของมนุษย์เพราะอันนี้แหละทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์รัดฉันทั่วไปดูกรโกศยะบุคคลในโลกอยู่รวมกันย่อมต้องพึ่งพาอาศัยกันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันคนยากจนช่วยเหลือคนมั่งมีด้วยกาลังกาย คนมั่งมีอนุเคราะห์เกื้อกูลคนยากจนด้วยกําลังทรัพย์คนยากจนให้กําลังใจแก่คนมั่งมีด้วยการทําการงานดีคนมั่งมีถนอมน้ําใจคนยากจนด้วยปิยาวาจาทั้งสองฝ่ายต่างอาศัยกันและกันด้วยการบําเพ็ญประโยชน์ให้แก่กันไม่เอาเปรียบกันและวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของตนดูก่อนโกศิยะหลักธรรมทั้งสี่ประการดังกล่าวมาคือการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันหนึ่ง การพูดจาไพเราะอย่างใจของกันและกันให้เอิบอาบพหนึ่งการบำเพ็ญประโยชน์ให้กันหนึ่งและการวางตนเหมาะสมแก่ฐานะของตนของตนหนึ่งพระศ า, าสดาของข้าพเจ้าทรงเรียกว่าสงังคหาวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนียวน้ำใจกันเปรียบเสมือนเพลาหรือลิ่มสลักยึดเหนี่ยวรถให้ทำงานไปได้แล่นไปได้สู่จุดหมาย เทระยังเศรษฐีและภริยาให้สมาทานอาจหารร่าเริงในกุศลธรรมด้วยประการชนีแล้วเศรษฐีและภริยาหมอบลงแทบเท้าของพระมหาเทระผู้เลิอดด้วยฤทธิ์และกล่าวว่านานเหลือเกินท่านผู้เจริญนานเหลือเกินกว่าท่านจะมาโปรดเกือบช้าไปไหวของข้าพเจ้าทั้งสองก็ล่วงไปมากแล้วจนป่านนี้ยังไม่เคยได้สดับธรรมของสัต บ, บุรุษ ธรรมกถาของท่านแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าอกเข้าใจเศรษฐีและปัญญากล่าวปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยแล้วน้อมกระเช้าขนมเข้าไปถวายพร้อมกล่าวว่านิมนฉันเสีเถิดพระคุณเจ้าเข้าไปเจ้าถวายด้วยศรัทธาพระมหาเถระกล่าวว่าท่านเศรษฐีบัดนี้พระศาสดาพร้อมด้วยพิสุสงห้าร้อยรูปนั่งรอคอยเพื่อฉันขนมของท่านอยู่ ก็พระาศาสดาประทับอยู่ที่ดาย่าท่านผู้เจริญพระาศาสดาประทับอยู่ณนะเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีไกลจากที่นี่สี่สิบห้าโยชน์พระคุณเจ้าหนทางมันไกลยอย่างนี้จะไปให้ทันเสวยได้อย่างไรท่านเศรษฐีเรื่องนั้นเป็นหน้าที่ของอาตมาเองท่านเตรียมตัวเถิดถ้าและพัญญาจะถึงเชตวันวิหารอย่างรวดเร็วว่าแล้วพระเถระก็เข้าชาน ซึ่งมีปรวีกรสินเป็นอารมณ์ย่นแผ่นดินให้ใกล้เข้ามาจึงสามารถถึงนครสาวัตถีได้เพียงครู่เดียวเร็วกว่าเวลาที่ลงจากปราสาทชั้นบนมายังชั้นล่างเสถีและพัญญาเข้าเฝ้าพระาศาสดาน้อมขนมเข้าไปถวายที่สุดทั้งหลายทั้งห้าร้อยฉันจนอิ่มหนำขนมก็หาได้หมดไปไม่ให้คนที่อาศัยวัดกินอีกขนมก็ยังไม่หมดยังเหลืออีกมากพระาศาสดารับสั่งให้เจ้าของขนม นำไปทิ้งเสียที่ใกล้ประตูเชตวันวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยธรรมีกถาให้เศรษฐีและพัญญาอาถราร่าเริงในธรรมะสัมมาปฏิบัติท่านทั้งสองทร ง, งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนาได้บรรลุโสดาปติผลหมุนชีวิตเข้าสู่กระแสธรรมอันมั่นคงยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงเขาทั้งสองได้มองเห็นชีวิตใหม่อันสะอาดสว่าง และสงบเยือกเย็นเกินเปรียบเมื่อหวนระลึกถึงความเป็นอยู่แต่เก่าก่อนอันตนเคยกระยิมยิ่งนักนั้นช่างมืดหมนไร้าสาระเสียนี่กระไรความสุขอย่างเก่านั้นเล่าก็เหมือนความสุขของขอทานที่เบิกบานร่าเริงเมื่อของเงินจากผู้อื่นได้จะเทียบกับความสุขเวลานี้ซึ่งเหมือนความสุขของเศรษฐีได้อย่างไร รูก่อราดาเรื่องนี้พระบรมศาสดามีพระประสงค์จะทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งพระองค์มีอยู่เป็นอันมากแต่ทรงแสดงเพียงเล็กน้อยทรงบรรดาริษให้ขนมเพียงเล็กน้อยที่เศรษฐีนำมานั้นไม่รู้จักหมดสิน้นอย่างความอัศจรรย์ใจแก่เศรษฐีและพัญญาเป็นล้นพ้นเรื่องทำ น, นองนี้ไม่ต้องกล่าวถึงพระบรมศาสดาดอกแม้พระสาวกธรรมดาที่ได้อภิญญาห้า แม้ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสก็ทำได้อีกประการหนึ่งผู้มีทรัพย์มียศมีเกียรติหลงอยู่ในทรัพย์ยศและเกียรตินั้นสำคัญมั่นหมายว่าโลกีสุขนี่เท่านั้นคือสุขแท้เป็นสุขที่ตนพึงสแสวงหาเมื่ อ, อยังไม่ได้ก็ดิ้นรนสแสวงหาอย่างเอาตัวตนชีวิตจิตใจก็ไปแลกเมื่อได้แล้วก็เพลิดเพลินอยู่ชั่วเวลาหนึง่งใจก็รานหาความสุขอย่างใหม่ต่อไป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 ได้อาศัยฤทธิ์ของตนช่วยเหลือพระาศาสดาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังพันนานามาชนี้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเศรษฐีและพัญญาได้สละทรัพย์ของตนให้เป็นประโยชน์แก่ปูชนียบุคคลและสาธารณาชนทั่วไปวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งประชุมกันที่ธรรมสภาสนทนาสรรเสริญคุณของพระมหาโมคคลานะว่าไปฝึกเศรษฐีให้เป็นคนดีไม่กระทบกระเทือนศรัทธา ไม่กระทบกระทั่งโฟคะของเขาพระมหาเถระช่างมีอนุภาพมากและมีคุณน่าอัศจรรย์จริงๆพระศาสดาสเสด็จมาธรรมสภาส่งทราบเรื่องที่พิสูจทั้งหลายสนทนากันแล้วตรัสว่าพิสูจทั้งหลายธรรมดาพิสูจผู้ฝึกสกุลพึงเป็นผู้ไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโฟคะไม่ทําให้สกุลชอกช้ำไม่เบียดเบียนเขา เป็นดุดแมลงผู้เคล้าเอาเกสรดอกไม้พิษสทั้งหลายมุนีพึงเข้าสู่ทํานองเดียวกับแมลงผู้ไม่ทำดอกสีและกลิ่นให้ชอกชำ้ำคือเอาแต่รถแล้วบินไปฉะนั้นไม่ทำให้สกุลชอกชำ้ำช่างเป็นพระวาจาที่แสดงความปราณีและหวังประโยชน์ต่อตระกูลเสียนี่กระไรเพราะธรรมดาชาวบ้านชาวเมืองมีความชอกช้ำเป็นปกติอยู่แล้ว ต้องลำบากยากเข็นในการหาทรัพย์เป็นนักหนาเพื่อนนำมาหล่อเลี้ยงชีพของตนและคนใกล้เคียงเกี่ยวข้องบุตรพัญยาญาติพี่น้องทั้งฝ่ายตนและฝ่ายพัญยาเพื่อนฝูงมิสหายผู้สูงอายุซึ่งเคยมีอุปการะคุณงานสังคมสงเคราะห์และอื่นอื่นอีกเช่นบำบัดอันตรายอันเกิดจากเหตุต่างๆมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเสียภาษีอากรบารุงประเทศ ทำบุญในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบอุดหนุนผู้เสียสละชีวิตเพื่อป้องการบ้านเมืองด้วยภารกิจอันมากมายดังกล่าวนี้คารวาดจึงมีรายได้ไม่ค่อยพอรายจ่ายแต่ต้องอดทนอดออมเพื่อสร้างฐานะอนาคตบางคราวให้มิสหายหรือผู้เกี่ยวข้องยืมไปก่อนเห็นว่าเขากำลังลำบากให้ไปด้วยจิตเมตตากรุณาปรารถนาสงเคราะห์เขา แต่แล้วเขาตอบแทนด้วยการโกงไม่ยอมใช้หนี้สินเจ้าของทรัพย์ก็ได้แต่ชอกช้ำใจบางคราวต้องชอกช้ำด้วยการต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักบางคราวต้องเดือดร้อนกับการต้องอยู่กับศัตรูเหมือนมีงูพิษอยู่ใกล้ต้องระวังระวัยตลอดเวลาคารวาสมีเรื่องชอกช้ำมากดังพรนน า, นา ม, มาโดยย่อนี้แล้วถ้าสมณะผู้เข้าสู่สกุลทําให้สกุลชอกช้ำเข้าอีกพวกเขาจะไปพึ่งใคร จะได้ใครเป็นหลักแห่งชีวิตเล่า